พระอภิธรรมปิดกคำพีที่หกยมกยมกแปลว่าคู่คือตั้งคำถามย้อนกันเป็นคู่คู่เป็นคำพีที่อธิบายธรรมด้วยวิธีถามตอบหรือปุจชาวิสัชนาเพื่อให้มองเห็นความหมายและขอบเขตของธรรมนั้นๆได้ชัดเจนและเป็นวิธีทดสอบความรู้ความเข้าใจหลักธรรมที่ลึกซึ้งมาก คำถามที่ตั้งขึ้นมาทีละคู่และมีเนื้อความย้อนกันเองตัวอย่างเช่นธรรมะที่เป็นกุศลทั้งหมดเป็นกุศลละมูลหรือหรือว่าธรรมะที่เป็นกุศลละมูลทั้งหมดเป็นกุศลรูปทั้งหมดเป็นรูปประคันหรือหรือว่ารูปประคันทั้งหมดเป็นรูปทุกทั้งหมดเป็นทุกขศัตร์หรือหรือว่าทุกขศัตร์ทั้งหมดเป็นทุก จิตของผู้ใดเกิดไม่ดับจิตของผู้นั้นจักดับจักไม่เกิดหรือหรือว่าจิตของผู้ใดจักดับจักไม่เกิดจิตของผู้นั้นจักไม่ดับกุศลธรรมเกิดได้แก่ผู้ใดอกุศลธรรมก็เกิดได้แก่ผู้นั้นหรือหรือว่าอกุศลธรรมเกิดได้แก่ผู้ใดกุศลธรรมก็เกิดได้แก่ผู้นั้นในการถามตอบ ถือหลักธรรมสาคัญสำคัญเป็นหลักเมื่อจะอธิบายหลักธรรมใดก็ตั้งคำถามเป็นคู่อย่างข้างต้นนั้นแล้วตอบไปตามแนวคำถามนั้นถามตอบจนเห็นว่าครบทุกแง่ทุกด้านแล้วจึงจบเรียกว่ายมกหนึ่งหนึ่งตั้งชื่อตามหลักธรรมที่อธิบายในบทหรือตอนนั้นเช่นถามตอบเพื่ออธิบายเรื่องขันห้าก็เรียกว่าขันธยะมก จบยมก ok นี้แล้วก็ถามตอบหลักธรรมอื่นขึ้นยมก ok ต่อไปมียมก ok อย่างนี้ทั้งหมดสิบยมก ok. คือหนึ่งมูละยะมก ok. ว่าด้วยมูลเช่นอกุศลลมูล 2. ขันทะยะมก ok. ว่าด้วยขันห้าสอายตนยะยมก ok. ว่าด้วยอายตนะสิบสองสทาตุยมก ok. ว่าด้วยธาตสิบปดห้ัจจยมกว่าด้วยอริยสัจสี่หสังขารยมกว่าด้วยสังขารสามอนุสัยยมกว่าด้วยอนุสัยเจ็ดแจิตตยมกว่าด้วยการเกิดดับของจิตต่างๆ9ธรรมะยมก ว่าด้วยกุศลอกุศลอพพยากตะธรรมสิ 10. อินทรียะยะมกหรืออินรียะยะมกว่าด้วยอินรี 22. ยี่สิบสองยมกเป็นคำพีใหญ่คำพีหนึ่งมีความยาวกินเนื้อที่ในพระไตรปิฎกสองเล่มคือเล่มที่ส8ิแและส9ิหมายเหตุผู้อ่านเท่าที่สังเกตคำว่ายมกนี้ ถ้าเป็นคำเดียวๆหรือเป็นคำลงท้ายมักอ่านว่ายมกแต่ถ้าเป็นคำหน้าและมีคำต่อท้ายมักจะอ่านว่ายมกะนะครับการนำภาษาบาลีมาอ่านเป็นภาษาไทยหลายคำก็จะมีลักษณะเช่นนี้นะครับคือเมื่อเป็นตัวเดียวจะอ่านสะกดไปเลยแต่ถ้ามีคำต่อท้ายมักจะอ่านเป็นอีกอย่างหนึ่งทั้งนี้อธิบายเพื่อความเข้าใจนะครับเพราะว่าการอ่านให้ฟังโดยไม่เห็นตัวหนังสือ มีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนจากตัวหนังสือที่ถูกต้องได้พระอภิธรรมปิดกคัมภีร์ที่7ปัจฐานปัจฐานแปลว่าฐานทั่วไปหรือที่ตั้งอาศัยคือปัจจัยต่างๆเป็นคัมภีร์แสดงเรื่องปัจจัย24คือแสดงให้เห็นว่าธรรมะหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสัมพันธ์กัน โดยเป็นปัจจัยแก่กันด้วยปัจจัยอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบรรดาปัจจัย24ประการข้อธรรมที่นำมาพิจารณาเพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์อย่างนี้ก็คือข้อธรรมในมาติกาทั้งหลายที่กล่าวกันมาแล้วข้างต้นในตอนว่าด้วยคำภีสังคณีขอให้ดูปัจจัยบางข้อพร้อมด้วยตัวอย่างแสดงความสัมพันธ์อย่างกว้างดังนี้ หนึ่งเหตุปัจจัยปัจจัยโดยเหตุเช่นเหตุคือโลภโสะโมหะหรืออโลภอโมหะอโทสะเป็นปัจจัยโดยเป็นเหตุปัจจัยแก่ธรรมะทั้งหลายที่ประกอบด้วยและแก่รูปทั้งหลายที่เกิดจากธรรมะที่ประกอบด้วยเหตุนั้น 2. อารมณะปัจจัยปัจจัยโดยความเป็นอารมณ์ เช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมเป็นปัจจัยแก่วิญญาณธาตุคือความรู้แจ้งทางตาหูเป็นต้นโดยอารมณปัจจัย 3. อนันตระปัจจัยปัจจัยโดยความต่อลำดับเช่นกุศลธรรมที่เกิดเป็นปัจจัยโดยอนันตระปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เกิดภายหลัง สสหาชาตปัจจัยปัจจัยโดยเกิดร่วมกันเช่นมหาพูตรูปเป็นปัจจัยแก่อุปาทายารูปโดยสหาชาตปัจจัย 5. อัญญมัญญปัจจัยปัจจัยโดยอาศัยซึ่งกันและกันเช่นนามขันทั้งสี่ได้แก่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นปัจจัยแก่กัน โดยอัญยมัญญปัจจัย6นิสยปัจจัยปัจจัยโดยเป็นที่อาศัยเช่นขณะที่ปฏิสนธินามและรูปเป็นปัจจัยกันโดยนิสยปัจจัย7อุปนิสยปัจจัยปัจจัยโดยเป็นอุปนิสัยเช่นปฐมฌาน เป็นปัจจัยแก่ทุติยชาญโดยอุปนิสัยปัจจัย8กรรมมะปัจจัยปัจจัยโดยกรรมเช่นกุศลกรรมและอกุศลกรรมเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากโดยกรรมมปัจจัย9ก้าอธิปัจจัยปัจจัยโดยการไม่มีอยู่เช่น ตาเป็นปัจจัยแก่จักขคูวิญญาณและพรรมะที่ประกอบกับจักขคูวิญญาณนั้นโดยอธจจยัธิปัจจัย 10. นัติปัจจัยปัจจัยโดยภาวะที่ไม่มีอยู่เช่นจิตและเจตสิกที่ดับไปใหม่ๆเป็นปัจจัยแก่จิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นโดยเป็นนัติปัจจัย อย่างนี้เป็นการแสดงแบบหลักทั่วๆไปต่อจากนี้ท่านจะแสดงความสัมพันธ์แบบเฉพาะกรณีที่ลึกซึง้งและซับซ้อนอีกมากมายขอยกตัวอย่างมาให้ดูอีกทั้งแบบหลักทั่วไปและแบบเฉพาะกรณีจากที่ต่างๆหลายแห่งดังนี้กุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมโดยอนุสยปัจจัยเช่นอาศัยศรัทธาจึงให้ทาน จึงสมาทานศีลจึงบำเพ็ญฌานจึงเจริญวิปัสนากุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่อกุศลัธรรมโดยอุ ป, ปนิสยปัจัยเช่นปรารภทานที่ได้ทำศีลที่ได้สมาทานเกิดความยินดีเพลิดเพลินยึดเป็นอารมณ์หนักแน่นจนเกิดราคะทิฏฐิมีศรัทธาหรือศีลหรือปัญญาเป็นต้น แล้วเกิดมานะถือตัวว่าฉันดีกว่าเก่งกว่าหรือเกิดทิฏฐิเห็นว่าต้องประพฤติอย่างนี้เท่านั้นจึงถูกต้องกุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมโดยอุปาณิสยปัจจัยเช่นมีศรัทธาจึงทำให้ตนลำบากเดือดร้อนได้รับทุกข์ด้วยการสแสวงหา กุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่วิบากของมันเป็นต้นอกุศลธรรมเป็นปัจจัยแกอ่อกุศลธรรมโดยอุ ป, ปัตินิสยปัจจัยเช่นอาศัยโพสจึงฆ่าสัตว์พูดเท็จพูดคำหยาบอกุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่กศุศลธรรมโดยอุ ป, ปัตินิสยปัจจัยเช่น อาศัยความอยากความปรารถนาอาศัยมานะอาศัยทิฏฐิจึงให้ทานจึงรักษาอุโบสถจึงทำฌานให้เกิดขึ้นกล่าวคำหยากไปแล้วเพื่อจะลบล้างผลของพรุศวานั้นจึงให้ทานรักษาศีลอากุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่อัพยากะตาธรรมโดยอุปนิสยาปัจจัยเช่นพระราคะ จึงทำให้ตนลำบากเดือดร้อนได้รับทุกข์ด้วยการสแสวงหาราคะโสดโมหะมานะทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายหรือทุกข์ทางกายเป็นต้นธรรมะที่ไม่ใช่จิตเป็นปัจจัยแก่ธรรมะที่ไม่ใช่จิตโดยอา ร, รัมมณะปัจจัยเช่นรารับความดีที่ได้ทำไว้เกิดความเพลิดเพลินอย่างยิ่ง โลกิยธรรมเป็นปัจจัยแก่โลกิยธรรมโดยอาศัยอารมณปัจจัยเช่นพิจารณากุศลธรรมที่เคยสั่งสมไว้อากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจาตนะเป็นต้นรวมความว่าเนื้อหาของคำภีร์ปัถฐาน ก็คือการนำเอาข้อธรรมะทั้งหลายในมาติกาของอภิธรรมทั้งหมดหนึยยมาติกามาแสดงให้เห็นความสัมพันธ์เป็นเหตุให้เป็นปัจจัยแก่กันโดยปัจจัย24ประการการอธิบายแม้จะยากและซับซ้อนแต่ก็มีขั้นตอนและระบบที่วางไว้อย่างเป็นระเบียบระบบการจัดลำดับและโครงการอธิบายเป็นอย่างไรจะไม่กล่าวในที่นี้ เพราะจะทำให้ฟั่นเฟือขอสรุปเพียงว่าปัจฐานเป็นคำภีที่ใหญ่มีเนื้อหามากและสำคัญมากจึงได้ชื่ออีกอย่างหนึ่งว่ามหาปกรณ์แปลว่าตำราใหญ่หรือตำราสำคัญมากกินเนื้อที่ในพระไตรปิฎกทั้งหมด6เล่มคือเล่มที่40ถึง45ซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายของพระไตรปิฎกท่านกล่าวว่า ถ้าผู้ใดเข้าใจปัจฐานหรือมหาปรกรณ์นี้ดีแล้วก็เท่ากับเข้าใจอภิธรรมปิดกทั้งหมด